สังคาทิเศษสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดตะเกีตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงหรือถือเอาทิกรคือเรื่องอันเป็นเหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ตะเกตตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงหรืออย่าได้ถือเอาอาิกร เป็นเหตุแตกแยกกันยกย่องยันอยู่ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันรองดองกันไม่วิวาดกันมีอุเทศเดียวกันคือฝั่งพระปะติโมกร่วมกันย่อมอยู่ผาสุขและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องยันอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพคือประการห้ามกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สลากกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สลากรรมนั้นเสียสลากได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สลากเสียเป็นสังขารทิเศษ สงในที่นี้หมายเอาภิกษุทั้งหมู่คำว่าพร้อมเพรียงนั้นคือมีสังวาสเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกันคำว่าตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพรียงนั้นคือขวนขวายเพื่อจะให้แตกเป็นโกจนถึงมีสังวาสต่างคือไม่ร่วมอุโบสถสังฆกรรม อธิกรณ์เป็นเหตุแตกกันนั้นคือเถียงกันว่านั่นธรรมนั่นไม่ใช่ธรรมนั่นวินยัยนั่นไม่ใช่วินัยเป็นต้นข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างในเรื่องพระเทวทัตผู้ขวนขวายเพื่อแตกออกจากสำนักพระศาสดาและตั้งสำนักใหม่เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้รู้เรื่องจะพึงห้ามราม รู้แล้วไม่ว่าต้องทุกกฎถ้าว่าแล้วไม่ฟังพึงจุดตัวมาท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวอีกสามครั้งถ้ายังขืนอยู่พึงสวดสมานุภาสคือประกาศห้ามด้วยอา น, นัตของสงฆ์ด้วยยติจตุทธากกรรมฝ่ายภิกษุผู้เป็นตัวการเมื่อได้รับห้าม สละเสียได้ในคราวแรกๆจัดว่าเป็นดีถ้าไม่สละต้องทุกกดทุกคราวจนจบยติคือคำเดีงสงศ์จบอนุสาวนาคือคำหารือและตกลงของสงสองคราวข้างตน้นต้องทุนลัดใจจบอนุสาวนาคราวที่สามอันเป็นผลสุดท้ายต้องสังคาที่เศษ เมื่ออาบัตถึงที่สุดแล้วอาบัตในบุพพประโยชน์ย่อมระงับหมายเหตุบุพประโยชน์คะหรือบุพภประโยชน์คืออาการหรือการทำความพยายามเบื้องต้นการกระทำที่แรกในกรรมเป็นธรรมคือทำถูกตามคลองธรรมและแบบแผน เข้าใจถูกก็ดีแกลงอยู่ก็ดีเข้าใจผิดก็ดีไม่สละเป็นสังฆาทิเศษเหมือนกันเหตุนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้จึงเป็นอจิตกะคือแม้ไม่จงใจก็เป็นอาบัตในกรรมไม่เป็นธรรมท่านว่าเป็นทุกฏข้อนี้ พึงเห็นในกา ร, รมันทำผิดแบบแผนแต่ความมุ่งหมายคงถูกตามคลองธรรม